50 languages. ลำดับเลขเดือนแรกคือเดือนมกราคมเดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ ดูจะไม่นาเฟอร์บรเเดือนที่สามคือเดือนมีนาคมดูจะไม่นามาร์ชเหเดือนที่สี่คือเดือนเมษายนจอทามะเห็นนาอปร์แลเดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมปัญจวะมเห็นาเม่เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน เช้ามหินัจูนเหรอหกเดือนคือครึ่งปีชมหิน a ่อดาอัดาสัลหุนดาเหรอมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมจันทร์ฟรวร์มาร์ชเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษายนมิอูน เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมสัตวามหินาจุเลย์เเดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมอัทว่มหินาอากุกสต์เเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายนนว่มหินาสัตตุมบร์เเดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม ดสวามหตุเบรเดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายนยารวามหินานุ้มเบรเดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมบารวามหินาดัซเซมบอร <12 S 1> เดือนคือหนึ่งปีบามอีกสลหุ กรกดาคมสิงหาคมกันยายนเดือน <August>, มิถุนายนสิงหาคมกันยายนและทันวาคม October, November,